น้อมธรรมะไว้ในภายในใจด้วยสมาธิและปัญญาแต่ว่าอุบายที่จะพึงน้อมเอาธรรมะคำสอนเข้าไปไว้ในกายในใจนั้นตามหลักพระพุทธศาสนานั้นจะหนีไปจากหลักปฏิบัติสมถกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐานไปไม่ได้แต่ว่าการปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนั้นย่อมมีหลายแบบหลายอย่างเพียงแต่อารมณ์ของสมถกรรมฐานก็มีถึงสี่สิบอย่างในเมื่อพูดถึงอารมณ์ของสมถกรรมฐานมีถึงสี่สิบอย่างท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะรู้สึกหนักหรือหนักใจว่า กรรมฐานมีถึง40อย่างเราจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะครบถ้วนอย่าพึง่งถอใจอย่างนั้นเลยแม้ว่าอารมณ์ของกรรมฐานจะมีถึง40อย่างเราปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นคู่ของใจเมื่อทำให้เกิดให้มีขึ้นในจิตในใจแล้วผลที่จะพึงเกิดขึ้นนั้นแม้เราจะทำซ้ำๆ40สอย่างก็ย่อมมีสภาวะเหมือนกัน